เขาเล่ม26อธิบายเรื่องเนี้ยโดยแง่มุมต่างๆกลับไปกลับมาจะรู้ว่าท่านคิดละเอียดมากพระพุทธเจ้าท่านคิดละเอียดมากของเราซื่อๆเนี่ยชรามรณาชรามรณาสมุทัยเนี่ยตรงตรงตรัวไว้ก่อนนะแต่พอเป็นพระพุทธเจ้านะ่าจะเริ่มมีอะไรนะอัลังการนะพราะว่าเหมือนกับเราวาดรูปนะก็วาดรูปอยู่แค่นั้นนไม่มีเครื่องประดับอะไรสักอย่างนะออกมาเป็นรูปใช้ได้แนละ้วแต่ของพระ อ, องค์นี่จะมีอัลังการมีเครื่องประดับมีการโยงมีการยักย้ายโดยประการต่างๆ พระสารีบุตรก็มาแสดงดีพระสารีบุตรแสดงไว้ในเล่มสิบเจ็ดชื่อว่าอะไรสูตรเครื่องนี้นะมีเป็นสูตรเลยเชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสูตรพระสารีบุตรเอาสิ่งเหล่านี้มาแสดงเป็นสูตรๆเลยนะนันถ้าเข้าใจหลักการนี้ดีนะชรามรณะชรามรณะสมูทัยเป็นต้นเนี่ยเข้าใจดีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเล่มยี่สิบหกกับเล่มสิบเจ็ดเนี่ยได้ไปเรื่องนะถ้าเข้าใจเล่มเหล่านี้ดีนะั่นเล่มอื่นๆก็ไม่น่ามีปัญหา ทันผู้ที่เรียนปฏิสัมพิทาเนี่ยถ้าจับหลักการท่านดีๆนะจะอ่านพระไตรปิฎกจะไม่รู้สึกหนักใจสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่ามันอกุศลมันเกิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะไปอ่านก็เลยอกุศลต่อไมอ่ <laughs> ก็มีนะเล่มยี่บหกกับเล่มสิบเจ็ดเนี่ยเล่มสิบเจ็ดชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสูตรเล่มยี่สิบหกก็คือนิทานวักอภิสมัยสังยุทธ์เนี่ยนะกล่าวไว้เลยก็ทีนี้ผู้ที่รู้อริยสัจเนี่ยก็ต้องรู้แบบมีอะไรมีกิจ มีกิจอย่างชรามรณาชรามรณาสมูทยัยชรามรณาเนโรชรามรนาเนโรทฆาไมนีปฏิปทาเขามีกิจเป็นของเขาอ่ะชรามรณากริญญากิจชรามรณาสมูทัยหานากิจชรามรนาเนโรสัจจิกิรญากิจชรามรณาเนโรทคามินีปฏิปทามีอะไรกิจภาเวตปัปทะตัปะขออภัยภาวนากิจทีนี้ปฏิเวษ ปฏิเวทกับอภิสมัยนี่อันเดียวกันถ้าจะบรรลุบรรลุว่าอย่างไงอริยสัจปรารถนาเหลือเกินบรรลุอริยสัจก็ปรารถนาว่าบรรลุด้วยปริญญาบรรลุด้วยปารานะบรรลุด้วยสัจฉิกิริยาบรรลุด้วยภาวนาถ้าจะบรรลุทีนี้ถ้าบรรลุจริงๆเนี่ยเพราะอะไรจึงบรรลุก็เช่นนั้นนะชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธความดับ ฉันทราคะดับฉันทราคะดับอะไรอีกดับสมุทัยอัาทะาอภีนวะนิสรณะตรงนี้มุ่งแสดงให้เห็นนิพพานอีกกี่คำนิพพานอีกสี่คำเนี่ยนะว่าการบรรลุจริงๆเนี่ยนะผู้ที่ตรัสรู้ที่สุดแห่งทุกจริงเนี่ยคือเขาดับเขาดับตัวชรา ม, มรณะนะไม่งั้นเนี่ย มันมีผู้ที่จะบรรลุที่ไหนก็ไม่รู้นะออกมาส่วนตัวสมัยก่อนเนี่ยนั่งให้มันบรรลุนะมันบรรลุอะไรนะี่ไปมานะอยากบรรลุมากแต่ไม่รู้ว่าบรรลุอะไรงงอยู่ถึงทุกวันเนี่ยถ้าเขาให้บรรลุตอนนั้นนะยังไม่นึกไม่ออกอบรรลุว่าอย่างไงก็ไม่รู้ไม่รู้เลยว่าบรรลุว่าอย่างไงอาจารยันติรู้ไหมว่าตอนนั้นถ้าบรรลุนี่บรรลุว่าอย่างไงไม่รู้เหมือนกนะันโอ้ตไปแทบตายน ะ, สะแสวงหา ม, มากเลยนะยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะดับเนี่ยชรามรนาณีโรธ ดับฉันทราคะในชรามรณะดับสมูทัยแห่งชรามรณะนิสรณะแห่งชรามรณะนี่นะทีนี้ถ้าปฏิบัติตามนี้ไม่ได้เอาแบบสับกัดฐานสุดชรามรณะชรามรณะสมูทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธถาขามิมีปฏิปทาอัตสาทะแห่งชรามรณะอาธีนาวะแห่งชรามรณะนิสรณะแห่ง ชรามรณะเนี่ยนะก็เอาแบบอะไรนะสัตย์ฐานสูตรคือฐานะเจ็ดปรการทีนี้ถ้าที่ผู้ที่จะบรรลุฐานะเจ็ดปรการดังกล่าวไปเนี่ยโดยที่ไม่เจริญอนุปัสนาเจ็ดเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเขามีอนุปัสนาเจ็ดอนุปัสนาเจ็ดคืออะไรคือการตามเห็นชรามรณะโดยความไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นชรามรณะโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุข ตามเห็นชรามรณะโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นเป็นอัตาตามเห็นชรามรณะหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นชรามรณะโดยคลายกำหนัดอ่าโดยโดยวิราคะคือคลายกำหนัดไม่ใช่โดยราคาเนี่ยนะตามเห็นโดยความดัดไม่ใช่สร้างนะไม่ใช่สมูทยเพื่อก่อสร้างขึ้นตามเห็นโดยความสละคืนไม่ใช่ยึดถือเพราะฉะนั้นชรามรณะเนี่ย ย้ำอนุปัสนาเจตในชรามรณะเสมอย้ำไว้ตรงนี้บ่อยๆแล้วจักแทงตลอดชรามรณะนิโรธจักดับฉันทะราคะในชรามรณะได้จะดับสมุทัยในชรามรณะได้จักสละคืนชรามรณะสละคืนชรามรณะได้เพราะอนุปัสนาเจตอนุปัสนาเจตพิจารณาชรามรณะที่เป็นกายเรียกว่า กายานุปัสนาถ้าอนุปัสนาเจ็ดทีจารณาชรามรณะคือเวทนาจะเป็นเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าอนุปัสนาเจ็ดมีจิตชรามรณะคือจิตเป็นอารมณ์อบรมให้มากก็เป็นจิตานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าอนุปัสนาเจ็ดทีจารณาธรรมะเหล่านี้ก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานในชรามรณะดังนั้นถ้าดูตามนี้นะจะเริ่มเห็นข้อปฏิบัติมาโดยลําดับเลย ซึ่งถ้าใครบอกว่าไม่เข้าใจวิธีเจริญสติปัฏฐานอีกตริยายหนึ่งก็มาดูตามนี้ก็จะละเอียดดีเพราะยกแต่สภาวธรรมที่ไม่ค่อยมีคำอธิบา ย, ยานะเนื้อหาปรมัดล้วนๆใครชอบก็ประสงค์ก็ดูเอาปฏิณิสขาะปฏิณิสขะแปลว่าการสละคืนสละคืนนี่มีอยู่สองอย่างหนึ่งสละคืนโดยปริจากปริจาคคะหมายถึงว่า บริษัสละกิเลสสละกิเลสจากสิ่งนั้นซะหนึ่งนะหรือสละสมุ ท, ทยัยสองเล่นไปสู่นิพพานเรียกว่าปักขันธนะ เ, เล่นไปสู่นิพพานก็คือเล่นมาสู่ชารามรณะนิโรธเล่นมาสู่ดับชั้นธราฆาในชารามรณะเล่นมาสู่การดับสมุทยะในชารามรณะเล่นมาสู่นิสระณะเนี่ยมุ่งเพื่อ ดับปัญหากับมุ่งเพื่อแทนตลอดพระนี่ผานอันนี้เรียกว่าปฏินิสักขะเลอเกิดที่ต้องอย่างนี้นะเพราะว่ามันตอนนี้มามันยังดับไม่จริงมันยังไม่พอนะคือมันค่อยๆเพิ่มปริมาณในการลดมาเรื่อยๆๆๆๆๆเรียกว่าวางยาในขั้นสุดท้ายนะก็จะได้ถอนพิษไข้สักทีนึงนะเพราะอันนี้ต้นๆมันก็เหมือนกับยาค่อยๆแรงขึ้นมาเรื่อยค่อยๆใส่ยาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเ นะพองวดสุดท้ายนี่เพื่อจะได้หายไข้สักทีหนึ่งถ้าพูดถึงตัวนี้นะชรามรณะคือผิวหนังเนี่ยนะผิวหนังคนที่จะรู้เรื่องหนังเนี่ยก็ต้องดูว่าไล่ตั้งแตนหนังคางคกขึ้นมาเลยนะจนถึงกรหนังนางงามเป็นต้นเนี่ยนะคือจะต้องรอบรู้ถึงเกี่ยวกับเรื่องหนังเนี่ยไม่ใช่หนังทีวีอนะหนังเหล่านี้จะต้องรอบรู้มาเป็นอย่างนี้ว่าหนังมีองค์ประกอบเท่าไหร่มีสมุทรฐานเท่าไหร่ซึ่งหมายถึงชาติสมุทรไทยเนี่ยนะ ปัจจัยของตะโจก็คืออะไรนี้ก็ไล่มาว่าตะโจตะโจสมุไทยตะโจนิโรตตะโจนิโรทคามินีปฏิปทาหมายความว่าเห็นโทษของผิวหนังเนี่ยโดยประการทั้งปวงแล้วล่ะต้องการดับผิวหนังจริงๆต้องการดับเหตุจริงๆต้องการปฏิบัติจริงๆฉันก็บอกว่าที่สาคัญบอกคุณต้องทํากิจนะตะโจนี่ปริญญากิจตะโจสมุไทยนี่ประหาระคือการละ ตะโจนิโรธคือการทำให้แจ้งตะโจนิโรท่าคามินีปฏิปทาก็คือการเจริญทีนี้ถ้าทำกิจจริงมันต้องบรรลุถ้าบรรลุบรรลุอะไรก็บรรลุด้วยตะโจก็ด้วยปริญญาบรรลุตะโจสมุทัยก็ด้วยการละบรรลุตะโจนิโรด้วยการทำให้แจ้งบรรลุตะโจนิโรท่าคามินีปฏิปทาก็ด้วยการเจริญนะถ้าจะตรัสรู้ทีนี้ถ้า การพิจารณาผู้ที่ตัศรุเขาตัศรุอะไรเขาตัศรุวัตตะโจตะโจสมุทัยตะโจนิโรธความดับฉันทราค่าในตะโจความดับสมุทัยแห่งตะโจรู้อัศสาทแห่งตะโจแล้วก็รู้อาทีนวะแห่งตะโจนิสรณะแห่งตะโจหรือพิจารณาแบบศัตด์ตัถานสูตรก็ได้ ตาโจตาโจสมุไทยตาโจนิโรต์ตโจนิโรธคามินีปฏิปทาอัศสาทแห่งตาโจอาทีนวะและนิสรณะแห่งตาโจก็พิจารณาแบบสัตตถฐานสุตทีนี้พอพิจารณาอย่างนั้นมากๆว่าไอ้จะนิสรณะได้จริงๆก็ต้องอนุปัสนาเจตในตาโจตามเห็นหนังโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนะตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตา ไม่ใช่เห็นว่าเป็นอัตตาตามเห็นว่าเป็นของหน้าเบอนายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นด้วยความคลายกำหนับไม่ใช่กำหนัดตามเห็นด้วยความดับไม่ใช่ต้องการสร้างตามเห็นด้วยความสละคืนไม่ใช่ถือมั่นเนี่ยนะก็จะเป็นกายานุปัสนาสติปทานน่นนะกายานุปัสนาสติปฐานถ้าเจริญสติปฐานอย่างนี้จนเต็มบริบูรณ์ปริกหัตโธจะเข้ามาเนี่ยนะใช่หในในเนี้ย ทุติยภาณวาระจะตามมาว่าปริกหัดโถอถ้าถ้าเว้นว่าอถ้าถ้าจะลัดข้ามไปนะเวน้นคือถ้าเ ว, นว้นฝั่งวักับวิวะตะถ้าเลยเข้าไปเนี่ยคนที่ทํากิจพิจารณาได้เหล่านี้จริงๆก็จะอะนะเห็นฝั่งของวะตะเป็นทุกข์เห็นวิวะตะเป็นสุขเห็นอะไรอ่านะเห็นวะตะเป็นภยัยเห็นวิวะตะปลอดภยัย เห็นว่ากะมีอมิตรวิวัตตไม่มีอมิตรเห็นว่าตะเป็นสังขารเห็นวิวัตตเป็นนิพพานเนี่ยนะถ้าเห็นอย่างนี้จนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์อย่างนี้ก็มาดูเนี่ยในขณะแห่งอริยมรรคที่หน้า23ไปต้นเนี่ยบริวารกำหนดถือเอาโดยโรอบบริวาร น, นะเป็นบริวารของกันและกันในขณะอริยมรรคอนนะ บริวารเป็นต้นคืออะไรคือโพธิปักฉิยธรรมสาสิบเจ็ดเนี่ยจะเริ่มเข้ามาทั้งหมดนะว่าเขากําหนดถือเอาเขาเป็นบริวารเขาเต็มโรอบเขาเป็นเอกคตาเขาไม่ฟุ้งซ่านเขาประคองไว้เขาไม่กระจายเขาไม่ขุนมัวเขาไม่หวั่นไหวเขาตั้งอยู่ด้วยสา ม, มาถแห่งความปรากฏแห่งจิตที่เป็นเอกคตาทั้นสภาวะเหล่านี้เขาก็จะเป็นไปอย่างนี้โดยลําดับอันนั้นเป็นขณะแห่งอริยมรรค ทีนี้การเรียนทุติยภาณวาระเนี่ยนะก็เป็นการทำสามารถวิเคราะห์ว่าผู้ที่บรรลุเนี่ยสภาพจิตเขาเป็นยังไงเอาไว้ตรวจสอบตัวเองเพราะบางพวกเนี่ยนะนึกว่าตัวเองบรรลุโดยที่ไม่มีคุณธรรมอะไรเลยก็ไม่ใช่น้อยในยุคนี้นี่เป็นยุคที่เขาบรรลุ ก, กันมากแต่แปลกใจว่าทำไมาศาสนาเสื่อมลงทุกวันอันพวนี้ก็พักสหน่อยนะ